ุทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสันสนิสนธนานะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเ m ฟ0 6ร้อยหค่ะเรามาพบกับรายการนี้เพื่อที่จะได้ฟังการอธิบายธรรมะโดยพระมหาภัยบุต์อภิปุนโนวัดป่าดอนหายโุดรธานีและพิเศษสุดไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครนะคะก็คือมีการนำปฏิบัติธรรมทางอากาศด้วยแล้วก็ไม่ให้รอช้า สำหรับผู้ที่สนใจฝ่ายปฏิบัติยังไม่เคยปฏิบัติเลยไม่มีโอกาส จ, จะไปวัดก็เตรียมตัวเลยจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งนาทีข้างหน้านี้นะคะส่วนผู้ที่ได้ปฏิบัติกันอยู่เป็นประจําทุกวันแล้วก็คงจะคุ้นเคยกันแล้วเราไปกราบนมัสการพระมหาไภัยบุพร้อมกันเลยค่ะน้อสการกันทั้งคะเชิญบอนเมื่อเราเริ่มฟังธรรมก็ปฏิบัติทําไปด้วยเลยโดยการให้เรามามีสติตั้งเอาไว้สตินี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลย เป็นเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าคิดถึงว่าจะสอนก่อน่โดยการที่ให้เราตั้งสติขึ้นอยู่กับลมหายใจพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของสติปัฏฐานทั้งสี่ลมหา่ใจของเรานี้เมื่อเราทําให้มากเจริญให้มากแล้วสติปัฏฐานทั้งสี่ก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เมื่อเรามารู้ถึงลมอ ย, งอย่างท่านบุฟังหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงลมได้ที่ตรงไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตรงนั้นการที่จิตของเรามาอยู่กับตรงลมเนี่ย เราก็จะเห็นจิตด้วยตรงนี้ก็จึงชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตเวลาที่ลมมากระทบเราเห็นลมโดยความเป็นธาตุลมแต่มันเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมมีส่วนที่เป็นลมอยู่อันนั้นก็ชื่อว่าเห็นกายอย่างเวลาที่เรามารับรู้ถึงสัมผัสคือความรู้สึกเนี่ยมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นความรู้สึกนั้นก็เป็นเวทนาก็เรียกว่าเป็นการเห็นเวทนาการเห็นเวทนาก็ตามเห็นจิตก็ตาม หรือเห็นลมที่เปรียบเสมือนกายนี้ก็ตามมันก็เป็นการที่ทําให้เราตั้งสติขึ้นสัพที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือสติปัฏฐานทั้ง4ี่คำว่สติปัฏฐานนั้นก็คือฐานที่ตั้งให้เกิดสติเราจะใช้กายซึ่งหมายถึงลมหายใจนี้เป็นฐานที่ตั้งให้มีการระลึกถึงนให้ใช้กายเป็นฐานที่ตั้งการระลึกถึงคือกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็ที่ลมหายใจนี้เราจะาความรู้สึกที่เรารับรู้ถึงสัมปัตของลมหายใจณขณะนี้ และความรู้สึกนั้นก็เป็นเวทนาใช้เวทนาตรงนี้เป็นฐานที่ตั้งอห่งการระลึกถึงให้จิตของเรามาระลึกรู้อยู่ที่นี่อันนี้ก็เป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานหรือในขณะที่จิตของเรามาระลึกรู้อยู่โลมายใจผู้ที่ก็มารู้ลมนั่นก็คือจิตใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงตรงนี้ก็ได้เรียกว่าเป็นจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานและในขณะที่เราตั้งสติขึ้นอย่างนี้เรารับรู้เสียงอย่างเสียของที่ข้าพเจ้าพูดอยู่นี้ เสียงของอื่นๆที่ท่านบุฟังได้ยินอยู่หรือว่าสัมผัสต่างๆที่ผ่านมาเป็นภรษา ต, ต่างๆเนี่ยเรามีสติไม่ลืมหลงการที่เรามีสติไม่ลืมหลงนั้นเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นสิ่งอื่นนั้นโดยความเป็นอนัตตาไม่ได้เข้าไปเกลือกลั้วไหลไปตามมันการที่เราไม่ไหลไปตามมันก็แสดงว่าเราไม่ได้ไปยินดียินร้ายไม่ได้ไปขยักขยั้งเกลียดชังก็ชื่อว่ามีสติตั้งอยู่เห็นธรรมะตรงนี้ธรรมะที่เห็นตรงนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ทีใช้ธรรมะ เป็นตานที่ตาห็การระลึกถึงเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานทั้ง4ก็จะเกิดขึ้นจากการที่เรามาสังเกตเห็นลมหายใจนั่นเองทำอย่างเป็นธรรมชาติเราไม่ต้องบังคับแต่งลมหรือไปกะเกณฑเฉพาะเจาะจงว่าอเดียวฉันจะเห็นลมอเดียวฉันจะมาดูความรู้สึกไม่ต้องไปเฉพาะเจาะจงถึงขนาดนั้นระกระบวนการนี้มันเป็นธรรมชาติอย่างเวลาที่ช่างไม้เขาเลื่อยไม้เนี่ยเขาเอาคมเลื่อย จะลดลงไปบนเนื้อไม้เวลาที่เขากําลังใสให้คม le เลื่อยกินเนื้อไม้เข้าไปเนี่ยเขาก็จะเห็นทั้งตัวเนื้อไม้ที่กําลังถูกเหล็กคือคมเลื่อยนั้นกินเข้าไปอยู่นี่คืออย่างที่1ที่เขาจะเห็นอย่างที่สองที่เขาจะเห็นเขาก็จะเห็นเลื่อยที่กําลังกินเนื้อไม้เข้าไปเป็นเหล็กตรงนี้อย่างที่สองอย่างที่3ามที่เขาจะเห็นก็คือไอ้ผงเลื่อยหรือว่าขี้เลื่อยที่มันกําลังไล่ออกมานี่อย่างที่3อย่างที่4ี่ที่เขาจะเห็นก็คือ มุมองศาท่าทางความเร็วในการเลื่อยที่เลื่อยนั้นมันจะเคลื่อนไปอันนี้อย่างที่สี่ในเห็นนะจุดเดียวตำแหน่งที่คมเลื่อยมันมาสัมผัสกับตัวเนื้อไม้เหมือนกันแต่ไม่อไงเวลาเราดูลรหมายใจเรามารู้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวการที่เรามารู้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวนั้นก็จะเห็นหมดเลยทั้งกายเวทนาจิตและธรรมเห็นอยู่ในที่นี้พระพุทธเจ้าเบเหมือนกับอาคารจะเป็นเจดีย์หรือว่าเรือนยอดแห่งหนึ่งที่มีทางเข้ามาจากทางเหนือ ทางตะวันออกทางใต้และก็ทางตะวันตกไม่ว่าเราจะเข้ามาจากทางไหนก็จะเข้ามาสู่ใจกลางอาการทั้งสิน้นเราจะดูเห็นลมจากแง่มุมของกายเห็นลมจากแง่มุมของความรู้สึกก็จะทำให้จิตของเรามีสติตั้งขึ้นทังสิน้นสติที่เกิดขึ้นกับจิตนี้จะเป็นตัวที่รักษาจิตของเราเหมือนกับยามที่เขาอยู่ที่ประตูเนี่ยก็จะเกิดความปลอดภัยกับอาคารเกิดความปลอดภัยกับสถานที่นั้นๆจิตของเรามาอยู่กับลม สิ่งที่เกิดขึ้นคือสติที่จะมารักษาความปลอดภัยให้กับจิตของเราเมื่อจิตของเรามีสติป้องกันตั้งมั่นไว้อย่างนี้เวลามีภาษาอะไรมากระทบจิตขเราจะได้รับการรักษาเราจะเดินทางไปที่ไหนอย่าลืมลมหายใจเดินตามไปที่ไหนอย่าออกนอกสติปฐาน4อันนี้เป็นสิ่งที่พระพรุทธเจ้าเตือนอยู่เสมอให้เราตั้งสติเอาไว้คําสุดท้ายก่อนที่ท่านจะปรินิพานก็บอกว่าให้ไม่ประมาท ก, การไม่ประมาทนั้นก็คือตั้งสตินั่นเอง เป็นตัมโบฟังให้ฝึกในการที่จะตั้งสติว่าอยู่เสมอๆในขณะที่ฟังทำนี้ก็ตามทำสิ่งใดอยู่ก็ตามก็เป็นผู้ที่ไม่ลืมหลงลมหายใจชัตุพันธ์ชาตุค่ะค่ะก็ฝึกกันไปทำกันไปนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรถ้ า, าว่าฟังตามที่ท่านพริบูลได้กล่าวก็คือว่าแค่เรามีสติรู้ลมหายใจ รายละเอียดต่างๆที่ว่าจะเป็นการเห็นจิตเห็นเวทนาเห็นธรรมจะปรากฏขึ้นเองถูกไหมคะถูกต้องจะไปตามกระบวนการของเขานะคะค่ะวันนี้มีคำถามค้างจากที่สนทนากับท่านเมื่อวานอยู่นิดหนึ่งนะคะคือเมื่อวานได้พูดกันถึงว่าถ้าจะใช้คำพูดให้รัด ก, กุมจากกรณีที่มีผู้ที่ใช้คาพูดแทนการ ฝึกปฏิบัติว่าเป็นการเดินมากอยู่ด้วยวิธีทิ้งคิดท่านเพบุลบอกว่าใช้พุทธพจน์จะรัดกลุ่มมากกว่าเช่นละมิจฉาสังกับปะหรือว่าละความคิดที่เป็นอกุศลใช่ที่เป็นกามที่เป็นความพยาบาทมที่เป็นการเบียดเบียนทีนี้ ท่านก็บอกว่าหรือใช้อีกคำหนึ่งคือเจริญสติก็คือที่ได้ฝึกปฏิบัติกันอยู่เมื่อครู่นี้ก็ได้ใช่ใช่ค่ะเมื่อเจริญสติแล้วโอกาสที่เราทำอะไรเราก็จะรู้ไปรู้ตัวใช่ไหมคะใช่ใช่ตรงนี้ให้เามาจ่อเข้าไปตรงนี้นิดหนึ่งนะสมมติว่าเราจะทิ้งความคิดที่เป็นอกุศลธรรมใช่ไหม ที่คุณยอมตีพิมพ์หอสเราจะทิ้งความคิดที่เป็นอกุิศุรธรรมเนี่ยจิตของเราตรงเนี้จะทิ้งได้คุณต้องจ่อให้ดีเลยนะไอ้ความคิดอคตศุรธรรมเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาตอนไหนหรือมันอยู่ตรงไหนไอ้การที่เราสแกนหาเพ่งหาจ่อหาเนี่ยจิตแบบเนี้ยคือจิตที่มีสติไงมันจึงไปด้วยกันว่าคุณเจริญสตินี่แหละคือการที่คุณแปรเพ่งจ่อพิจารณามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนฉันจะละหามันฉันจะละมันไอ้ตรงที่ตรงเนี้ยการที่จ่อเข้าไปตรงเนี้ยคือการไม่ประมาทการที่เราแบบ เพ่งดูการที่เราแบบพิจารณาดูเนี่ยเหมือนกับยามที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูเนี่ยก็จะคอยดูตาก็จะเพ่งไว้เลยมีบาดไม้มีบาดไม้อันนี้มาอะไรมาอะไรก็จะคอยดูอยู่ตลอดเวลาการดูตรงเนี้ยคือการที่มีสติเหมือนนายทวารเปะเลยตรงนี้ค่ะทีนี้อ่าก็เหมือนกับว่าดูเพื่อที่จะไม่ให้ให้ของไม่ดีเนี่ยเข้ามาถูกไหมคะถูกต้องแต่กรณีที่เฝ้าดูอยู่เนี่ย นายทวารประตูบางคนก็ยังพลาดนะคะับมี <Ừ. S 1> อกักขรวรเล็ดรอดเข้ามาได้อ่าคือไม่ฉลาดนายทวารไม่ฉลาดอ่าที่ฉันจะกล่าวเรียนท่านว่าเมื่อวานเนี้ยตอนที่สนทนากับท่านก็เพิ่งผ่านมาสดสดร้อนร้อนคือเหมือนก็มีสติเหมือนกันนะคะแต่ว่ามไม่สามารถทำได้อ่มีการถูกถามด้วยคำถามที่เหมือนกับถูกไล่บี้โดยผู้ปกครองอืม นะคะว่าไปที่นู่นมาหรือเปล่าแต่เราก็ไม่สามารถตอบว่าไม่ไปได้ ม, มันก็เหมือนกับต้องพูดปรด น, นะคะ อ, าาอันนี้ก็เท่ากับว่าจริงๆมีสตินะคะท่านเจอไปจังๆแบบมีสติเลยอย่างนี้มันผิดพลาดยังไงคะออคือมันมันมันตัวนี้มีคอมพลีเคชันหลายอย่างเช่นว่าถ้าถ้าบางคนกลัวถึงผลที่มันจะเกิดขึ้นจากการพูดความจริงไปอย่างเงี้ย สมมติเราพูดจริงไปปุ๊บเรากลัวโอ้โห ôi, เขาจะต้องแบบวีนเราหรือว่าเขาจะต้องดา่าเราหรือว่าต้องเสียหายอะไรต่างๆ ม, มาปุ๊บเนี่ยคุณก็จะมีความยึดถือในสิ่งที่มันยังไม่เกิดนั้นใช่ไหมไอ้ ค, ความยึดถือตรงเนี้ยตัณหาเข้าครอบงาําปุ๊บพัฒนาเข้าครอบงาําปุ๊บก็จะเห็นสิ่งนั้นใหญ่กว่ามันจะเป็นสภาวะขึ้นมาเลยนะคุณยมติวนะโอ้มันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นงี้โอ้แต่เราทำไม่ได้ไม่ได้มันจะเป็นสภาวะขึ้นมาล ะ, ล ะ, ะ เ, ปาาาลเป็นพบขึ้นมาแล้วนะเป็นพบแต่ที่มันยังไม่ได้มีอะไรเลยนะ จากการแค่ว่าถูกถามคําถามซิมผัิ่งง่ายๆธรรมดาว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆเนี่ยปุ๊บปั๊บใจเรามันปูมปูมไปแล้วแต่คือตัณหาพอมันมีอํานาจปุ๊บเนี่ยสติที่เรามีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีอยู่แต่ว่ากําลังของมันจะอ่อนลงไปทันทีคําว่าอ่อนลงไปทันทีคือแบบมันอ่อนลงไปเลยนะสติกําลังมันจะอ่อนลงไปมันจะไม่สามารถที่จะแบบไม่ใช่จะจะแบบฮึดสู้ฉันจะสู้ความจริงเนี้ยจะแบบยอมรับความจริงมันจะอ่อนลงไป แต่เพราะว่าตัณหามันมีอํานาจขึ้นมานี่แสดงว่าจิตเราเนี่ยเอาไปใส่ไว้ตรงนั้นเอากําลังให้ตัณหาไปแต่เมือนเราเอามีดเอาด้ามมีดให้มันไปอ่ะเพราะว่าเราเราไปตรงที่ว่าเราไม่อยากได้สิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าพอพอไม่อยากเพื่อไอ้ความไม่อยากเนี่ยเป็นวิภวะตนณหภาวะไงคือความเป็นสภาวะคือเป็นพบขึ้นมาโตมตันดีเลยเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็จะปึ้งปั้งขึ้นมาในใจของเรา ก็ทำอะไรพอสติอ่อนกําลังตัณหามีกําลังก็ทําชั่วได้เล็กๆ น, น้อยๆตั้งแต่แบบพูดเลี่ยงๆไปหรือว่าถ้าถ้ามีปัญญาหน่อยก็จะแบบพูดเลี้ยงๆไปอย่างเงี้ยนะ <c oughs> คือคือถ้าเราบอกว่าเห็นบอกไม่เห็นมีบอกไม่มีอันนี้คือมันมันผิดแน่นอนใช่ปะ่ะแต่ถ้าสติ <c oughs> เราพอมีกําลังขึ้นมาหน่อยหนึ่งเราไม่พูดปวดแต่แบบพูดเลี้ยงๆไปหรือว่าชวนไปคุยเรื่องอื่นหรือว่าปล่อยมุกไปเราอาจจะรอดไปได้ไม่ต้องตอบคําถาม ในกระดาษเดีวยวกันก็ไม่พูดโกหกเงี้ยแต่เพราะว่าถ้าสติมันกําลังไม่พอเราเอาใจไปใส่ตรงตันหาตรงนั้นใช่ไหมตรงที่เรารไม่อยากได้หรือเราอยากได้อีกแบบหนึ่งแต่มันไม่ได้เนี่ยตันหาแั้วมีพลังพูดมาเพรานะณวินาทีนั้นเนี่ยจิตเราอ่อนกําลังปุ๊บมันก็จะแบบทําอะไรไม่ถูกแล้วมันก็จะต้องทําความชั่วไปตามอํำนาจตันหาไปนีตรงนี้จะเกิดขึ้นแบบนี้เพรา ะ, ระนั้นตรงนี้นิดหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นเราเราจะไปรอให้แบบว่า เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเราจะไปฝึกสติแบบว่าอย่างนี้มันก็จะยากราะเราก็ต้องฝึกสติมาตลอดตลอดก่อนแล้วตสติพอมีกำลังมันก็จะพอมีทางออกไปได้นะค่ะที่นี่สมมุติว่าตลอดเวลาก็พยายามเจริญสติอยู่พอเกิดการพลาดพลัง้งโหไม่ได้เกิดมานานละถามว่าส่วนใหญ่ก็จะพยายามเจริญสติไม่ให้พลาดพลัง้งแต่พอเกิดความพลาดพลั้งไป พลาดพลั้งแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตไม่มีใครคอขาดบาดตาย uh huh, uh huh. เสียชีวิตอะไรเลยนะคะอ uh huh. ถามว่าเสียหายมากไหมคะก็จะมีบาปอากุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตของเรานะบาปอากุศลธรรมเนี่ยเกิดขึ้นในจิตของเราถามว่าหนักไหมก็ถ้าไม่ผิดศีลใช่ไหมมันก็จะเกิดอยู่แต่มันก็ไม่หนักถึงขนาดให้ไปนรกแต่ถึงแม้จะผิดศีลแต่ถ้าไม่ได้เป็นปกติมันก็มันก็คือคนเราธรรมดามันก็ มีกำอยู่แล้วนะทั้งบวกทั้งลบเกิดขึ้นตลอดเวลาแค่ว่าบางทีเราอารมณ์เสียจากแดดมันออกมันร้อนหน่อยนี่ก็กำลบเรารู้สึกว่าคนนี้เขาพูดดีกับเราเราก็รักเขาอันนี้ก็ก ร, รมลบมันก็ราคะโทสะมันก็เกิดแต่เราเห็นตามที่เป็นจริงเราปล่อยว่างนะอันนี้ก็กำรรบวกอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ต้องแต่คือคำถามก็คือว่าอย่าให้ไปนรกกันแล้วกัน อย่าให้ไปนรกแล้วกันแต่เราก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าไอ้กรรมเล็กๆน้อยๆสะสมมากเข้ามันก็ไปนรกได้เหมือนกันค่ะนะคะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญแล้วค่ะเพิง่งฟังชื่ออ๋อคุณแคทโลเกลมาอีกแล้วค่ ะ, <laughs> ะก่อนจะถามนี่มีการอารมพบทเพื่อเป็นพื้นฐานก่อนนะคะว่า จำได้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสว่าวิญญาณเกิดจากอายตนะภายในและนอกมากระทบกันช่องทางเกิดก็มีหกช่องตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนกับเคยฟังว่าพระอาจารย์ก็เคยเทศว่าวิญญาณสามารถเกิดได้พร้อมๆกันหลายช่องทางอืมถูกไหมคะสองข้อแรกอโยมก็ค่ะข้อแรกนี้ถูกอยู่แต่ข้อแรกถข้อที่สองนมาจะอธิบายเพิ่มเติมเมื่อเมื่อไปไปไปกันก่อนก่อนนะข้อสามนะคะ มาข้อสามเลยก็บอกว่าโยมเนี่ยพยายามวิเคราะห์คือต้องฟังธรรมและปฏิบัติแล้วก็พบว่าสาเหตุที่วิญญาณสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมๆกันหลายช่องทางน่าจะเป็นเพราะว่ามนุษย์มีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจตั้งอยู่แล้วเกิดเป็นมนุษย์ก็มีสิ่งเหล่านี้มาด้วยเลยฉะนั้นเมื่อมีอายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสแธรมารมมากระทบกันกันกบอายตนะภายในวิญญาณจึงเกิดขึ้น และเมื่ออายตนะภายในตั้งอยู่แล้วหากมีอายตนะภายนอกมากระทบวิญญาณทั้งช่องทางนั้นๆก็เกิดขึ้นเพราะการเกิดขึ้นของวิญญาณไม่จำเป็นต้องรอให้วิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปก่อนวิญญาณตัวใหม่จึงจะเกิดขึ้นแต่เป็นเพราะเมื่อมีเหตุมันก็เกิดขึ้นของมันเหมือนกับที่เคยฟังพระพุทธเจ้าตรัสลักษณะของวิญญาณว่าดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่คาว่า ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไป uh huh. เพราะถ้าใช้คำนี้โยมจะเข้าใจว่าหางวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วยังไม่ดับดวงอื่นจะเกิดขึ้นไม่ได้ขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยแปลคําว่าวิญญาณซึ่งเป็นภาษาไทยให้ชัดเจนด้วยเจ้าค่ะโอเคเอากเอ า, เอาตรงนี้ก่อนคออรนับทนะี่เข้เขาเนียบมากนะเขาสามารถที่จะอพูดถึงว่าดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปไม่เหมือนกับดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปค่ะนะคือถ้าเราจะดูที่บาลีนะมาไม่ต้องการที่จะแบบ ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนะแต่ถ้าเราไปดูที่บาหลีคำเนี้ยที่ที่ส่วนใหญ่ก็จะแปลว่าดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปเนี่ยแปลที่ถูกควรจะแปลว่าดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปที่ถูกควรจะแปลว่าอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าแปลมันเป็นภะษไทยแล้วเนี่ยมันกลายเป็นแบบเกิดขึ้นทีละดวงแล้วมันเป็นดวงดวงแต่คําว่าวิ ญ, ญญาณเอาคํานี้ก่อนนะคุณโยมติวนาคาว่าวิญญาณเนี่ยเป็นภาษาบาหลีท่านหมายถึงการรับรู้ พระพุทธเจ้าให้ความหมายของคำว่าวิญญาณอย่างน nice. ี้บอกว่ากิริยากิริยานะที่รับรู้ได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าวิญญาณกิริยาที่รับรู้ได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าวิญญาณรับรู้ซึ่งอะไรได้รับรู้ซึ่งความขมรับรู้ซึ่งความเปรี้ยวรับรู้ซึ่งความหวานนี่นเป็นต้นดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าวิญญาณแัะนี้คือคือความหมาย definition ที่พระพุทธเจ้าให้ ความหมายกับคำวิญญาณก็คือการรับรู้นั่นเองบางคนก็จะแปลเป็นภาษาไทยว่าการรู้แจ้งอย่างนี้ก็มีนะแต่ก็ให้เข้าใจคำว่าเป็นศัพท์คําเดียวกันกับคําว่าวิญญาณซึ่งจะไม่เหมือนกับที่คนไทยเข้าใจกันว่าเป็นแบบวิญญาณเป็นดวงดวงเป็นผีเป็นอะไรที่ลอยไปลอยมาอันนั้นจะไม่ใช่นะเป็นความคําพ้องรูปพ้องเสียงแต่ว่าความหมายต่างกันอันนั้นก็จะเป็นผีเปรตเป็นอะไรที่เป็นสิ่งมีชีวิตอีกแบบหนึ่งไปอันนั้นจะไม่ได้เรียกว่าคำวิญญาณใน ในความหมายของที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ทีนี้ไอ้ตรงวิญญาเนี่ยก็อย่างที่คุณแคทโลโก้เข้าใจเนี่ยถูกต้องแล้วว่ามันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่พอมีหูแล้วก็มีภาพมันจะเกิดวิญญาณทางหูไม่ได้เอามาเลยนะพอมีหูมีรสมันจะเกิดวิญญาณทางลิ้นไม่ได้แต่เมื่อมีลิ้นและมีรส ถ, ถึงจะเกิดวิญญาณทางลิ้นได้การรับรู้ทางลิ้นได้ก็มันก็เหตุปัจจัยมันก็เป็นอย่างเงี้ยถูกปะ่ะอันนี้เมคเซนไหม เอาสำหรับคุณโยติว๋วอันนี้ยแค่นี้สม<อ> เ, เหตุสม<า>ผล<า>นะอ่าเป็นเหตุเป็นผลถูกต้องอยู่แล้วถูกป่ะ เ, เราเราจะไปรับรู้เสียงโดยที่เราใช้ลิ้นน่ยมันไม่ได้มันก็การรับรู้ตรงนั้นมันจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นการรับรู้เนี่ยก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยคืออิจตนะภายนอกอิจตนะภายในยเกิดขึ้นปุบ๊บมันก็เกิดขึ้นดันดีจบไปเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่ถ้ามีอะไรมากระทบณนะเวลาเดียวกัน instantly เลยเวลาเดียวกันเช่นเราดูหนังเนี่ยเราเห็นทั้งภาพเราได้ยินทั้งเสียงพร้อมๆกัน ท่านผูฟังคิดไปตามและท่านผูง้งก็ฟังไปด้วยเนี่ยอัยตนะคือธรรมารมกับใจอัยตนะคือเสียงกับหมูมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันภูมิเพราะฉะนั้นวิญญาณที่เป็นไปในทางธรรมารมคือมโ น, โนวิญญาณกับวิญญาณที่เป็นไปในทางหูคือโสตวิญญาณก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันเพราะมันมีช่องกับมันมาอยู่อันนี้แม่เจนไหมค่ะเพราะฉะนั้นคำคำ <ใจ S 1> พูดนะ ท, ที่ที่จะอธิบายว่าดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปเนี่ย สิเป็นคพูดที่มันจะรัดกลุ่มแล้วก็อืมเข้าใจได้แต่ไม่ใช่ดวงหนึ่งคือถ้าเป็นดวงดวงหนึ่งก็จะคิดว่าเป็นเหมือนกับเป็นทีละดวงทีละดวงแต่มันไม่ใช่อย่างนะั้นนะทีนี้คําว่าดวงเนี่ยก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าเป็นลักษณะนามเป็นลักษณะนามของจะอธิบายอะไรอธิบายคําว่าจิตด้วยโมโนด้วยแล้วก็วิญญาณด้วยแต่พระริชาเปรียบเทียบอย่างนี้วันหลังเราจะหาพระสูตรมาให้คุณ ยมติ๋วทราบแต่มาอันคร่าๆวๆเราเจอมาพระสูตรนี้ท่านเปรียบเ ท, ทียบเหมือนกับกระแสน้ําคุณโยมติวกระแสน้ําสมมติว่าเราเรายือนอยู่บนสะพานพระรามแปอากันสวยงามดียืนอยู่บนสะพานพระรามแปดแล้วก็แม่น้ําเจ้าพระยาก็ไหลไหลมาใช่ไหมอ่าเราก็มีมือเหมือนแม่นาคยาวยืดลงไปใช่ไหมแล้วมือเราก็ไปจุ่มลงไปในแม่น้ําเจ้าพระยาคือแม่นาคเขาแขนยาวใช่ไหมเขาไปหยิบมันเอาได้พอเราเอามือ จี้จุ่มลงไปในแม่น้ำเจ้าพยาครั้งหนึ่งแล้ว ก, ก็ยกมือขึ้นมาแล้วก็อีกมินาทีหนึ่งเราก็จี้จุ่มลงไปอีกแล้วก็จะบอกว่าคุณก็จุ่มไปในแม่น้ําเจ้าพยาอันเดิมแล่วพูดอย่างนี้ก็ถูกอยู่แต่ว่าทางเทคนิคแล้วมันไม่ถูกเท่าไหร่เพราะว่าน้ํามันคนละน้ํากันละยังไงอะ ก, ก็น้ำมันกระแสน้ำมันไหลพัดไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่คุณจี้ไปทีหนึ่งกับคุณจี้ไปทีที่2เนี่ยมันคนละน้ํากันแล้ว แต่ว่ามันเหมือนกันนะมันเป็ น, นเจ้าแม่น้ําจ้าวยาณเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆต้องเป็นคําที่อธิบายว่ามันเป็นกระแสมาจิตมโนวิญญาณป็นจะเป็นลักษณะนี้มันจะแบบเป็นกระแสมาเพราะฉะนั้นอย่างวิญญาณเนี่ยที่เราไปรับรู้สิ่งต่างๆเราจรึงรู้สึกว่าเหมือนเป็นกระแสเกิดมาเรื่อยๆเกิดมาเรื่อยๆหรืออย่างตัวอย่างที่2ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับดวงไฟดวงไฟนะ เ, เหตุปัจจัยที่จะทําให้ไฟเปเลวไฟเนี่ยนะเปเลวไฟเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เนี่ย ก็ต้องมีความร้อนมีออกซิเจนแล้วก็มีเชื้อเพลิงนะคือคืนนี้เป็นแบบถ้าเราจะจุดไฟหัวไม่ขีดเกิดขึ้นเนี่ยนะหัวไม่ขีดเนี่ยคุณจะไปจุดในที่สูญอากาศมันจะไม่ติดเพราะไม่มีออกซิเจนหรือหัวไม่ขีดถ้าคุณไม่เอามาสีกันจนเกิดความร้อนมันจะไม่ติดมันก็วางอยู่ของมันเฉยเฉก็จะไม่มีเปลวไฟหรือ3ถ้าคุณเอาด้านก้นไม้ขีดที่มันไม่ใช่หัวแดงๆของมันมาจุดก็จะไม่ติดเพราะมันไม่มีเชื้อเพลิงแต่เมื่อไหร่ ถ้าคุณไปจุดในที่ที่มีอากาศแล้วมาเสียดสีกันตรงนั้นด้วยแรงที่จะทำให้เกิดความร้อนพอดีเอาหัวมันด้วยมันก็มีเชื้อเพลิงปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเปลวไฟขึ้นทีนี้เปลวไฟที่เกิดขึ้นใช่ไหมคุณโยมติว๋วมันก็จะสร้างความร้อนขึ้นมาความร้อนก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เปลวไฟต่อไปเนี่ยมันเกิดขึ้นอีกตอนี้เอาใหม่ถ้าสมมุติว่าไม่มีไม่มีออกซิเจนออกซิเจนดับไปตอนนั้นทันทีปุ๊บเปลวไฟก็จะดับไปทันทีหรือว่าเชื้อเพลิงหม ด, นมนหม ด, มดเนี่ย เปลวไฟก็จะดับไปทันทีพอมันหมดเชื้อหรือว่าถ้ามีของเย็นๆมาพ่นมันความร้อนมันไม่ถึงเปลวไฟก็จะดับไปทันทีแต่เพราะว่าเปลวไฟเนี่ยมันสร้างความร้อนด้วยแล้วเชื้อคือไอ้ก้านไม่กิ่มันก็ยังมีอยู่เปลวไฟก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันมันจึงเป็นกระแสกระแสกระแสมาแต่เปลวไฟแรกกับเปลวไฟที่2ที่คุณเห็นวับๆๆมาเนี่ยมันคนละอันกันแล้วนะมันคนลานกันแล้วตรงนี้จึงเป็นคําที่ประพุทธเจ้าอธิบายว่า เป็นดวงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นก้อนๆอย่างนั้นมันจะเป็นกระแสที่เปรียบเหมือนเปลวไฟที่เป็นกระแสที่เป็นน้ำที่เป็นกระแสกันมาขออนุญาตนะคะที่ท่านพูดว่าเป็นกระแสน้าหรือเป็นเปลวไฟเนี่ยอันนี้เป็นอุปมาที่พระพุทโงได้ยกไว้เหรอคะ ถูกต้องแต่แต่ท่านตรัสไว้สั้นมากจะมาจะไปหาพระสูตรนี้มาในภายหลังให้นะไม่เป็นไรคือดิฉันพยายามทําความเข้าใจคนะ่ะอืมอืมค่ะหรือหรือถ้ามตนท่านตอบถ้าเราปรเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบันหลอดไฟหลอดไฟที่ท่านผู้ฟังฟังหรืออยู่ในห้องแล้วมันเปิดไฟเนี่ยนะหลอดไฟเนี่ยแสงสว่างที่มันมากระทบกับวัตถุต่างๆให้เราเห็นเนี่ยเราเห็นเป็นกระแสกันมาถูกไหมมันมันเป็นหลอดไฟมาใช่ไหมเป็นแสงมาจากจากหลอดนิออนหรือหลอดไอไสอะไรก็แล้วแต่เถอะ ทีนี้ไฟก็เรียกว่าอะไรแสงที่มันมากระทบเนี่ยแสงแรกกับแสงที่2สมมติท่านผู้ฟังกระพริบตาทีหนึ่งกระพริบตาทีเดียวเนี่ยปุ๊บเนี่ยไอกระแสแสงที่มันมากระทบเนี่ยกับการกระพริบตาครั้งแรกกับกระพริบตาครั้งที่2อเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันนะแต่มันเป็นกระแสมาแต่มันคนละอันกันนี่คือทางเทคนิคและคนละอันกันไม่งั้นปลายเดือนก็จะไม่ส่งบินมาเก็บค่าไฟก็ใช่ไหม เพราะมันเป็นคนละอ่านกันมันเป็นกระแสมาเรื่อยๆกระแสมาเรื่อยๆทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตลอดมันตลอดขึ้นมันจึงเป็นกระแสมาอย่างนี้ค่ะโอเคแล้วลักษณะน้ําอะไรที่จะอธิบายถึงการที่มันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปคําที่จะอธิบายใช้ได้ดีที่สุดก็คําว่าดวงอธิบายอะไรอธิบายสิ่งที่มันเป็นนามธรรมามีอะไรบ้างธรรมรมมะโน วิญญาณจิตพวกนี้ทั้งหมดเลยเป็นน้ำมา ร, รมแต่ไม่ไมันจึงเป็นกระแสแล้วถามว่าน้ําในแม่น้ําเจ้าพรยาตรงจังหวัดนครสวรรค์อย่างเงี้ยกับน้ําในแม่น้ําเจ้าพรยาตรงที่มันเน่าๆอย่างเนงะี้ยนะมันเป็นน้ําเดียวกันไหมเออมันก็น้ําเดียวกันนะใช่อยู่แต่ว่ามันคนละแบบกันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันจึงไ อ, ไอโซนเนี้ยเราจะบอกว่าดวงเนี้ย บริเวณเนี่ยคำว่าบริเวณเนี่ยน้ำแม่ น, น้ำเจ้าพยาบริเวณจังหวัดปฐุมธานีมีค่าความเน่าเท่านี้แต่น้ําเจ้าพยาในจังหวัดนครสวรรค์มีค่าความเน่าเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างงี้นะมันเป็นคนละ บ, บริเวณกันเป็นคนละดวงกันแต่ว่ามันอันเดียวกันไหมมันเป็นกระแสะเดียวกันมาเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงวิญ ญ, ญาณอะไรเนี่ยวิ ญ, ญญาณทางตากับวิ ญ, ญญาณทางหูอะไรไปทำหน้าที่วิญ ญ, ญาณนี้จิตไงจิตดวงเดียวกันไหม ใช่อยู่แต่มันไปทําคนละหน้าที่ทางตามก็ไปทำวิญญาณใช่ไหมทางหูมันก็ไปทำวิญญาณทางหูรับรู้ทางหูมันจึงเป็นลนักษณะที่จะอธิบายไงก็เป็นดวงแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ติดกันนะเพราะว่าจิตเป็ น, ปนยังไงจิตเนี่ยมีธรรมชาติสั่งสมสั่งสมบุญสั่งสมบาปสั่งสมความดีสั่งสมความชั่วทางไหนหบ้างทางตาทางหูแต่คุณรับรู้ทางตาคุณจะคิดชั่วก็สั่งสมความดีความชั่วตรงนั้น คุณรับรู้ทางหูคุณอาจจะพูดดีกูก็สั่งสมความดีความชั่วตรงนั้นสั่งสมที่ไหนสั่งสมที่จิตโอเคมันก็จึงเป็นกระบวนการอย่างเงี้ยคาลักษณะนามที่ท่านใช้ก็ใช้คำว่าดวงดวงแต่ไม่ใช่ว่าเป็นก้อนๆอย่างนั้นนะแต่เป็นเป็นการทําหน้าที่ ท, ที่ที่ต้องอธิบายให้มันแตกต่างกันแต่เป็นเป็นกระแสดเดียวกันมาโอเคนี่คือที่อาจามาจะอธิบายในข้อที่2ว่าวิญญาณสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ไหม คำตอบก็คือใช่ในลักษณะที่อธิบายนี้นะเป็นกระแสแบบนี้โอเคค่ะอืมแล้วข้อสามอะคะท่านงานข้อสามก็คืออย่างที่บายที่อธิบายเนี่ยเข้าใจถูกแล้วว่าดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นต่อไปนทําไมเป็นดวงดวงเพราะมันเป็นกระแสกันมาทําไมต้องใช้คําว่าดวงลักษณะนามเพื่อที่จะอธิบายถึงการทํางานบริเวณต่างๆที่มันแตกต่างกันไปแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันเพราะมันเป็นกระแสกันมาค่ะโอเค อ่าก็มาถึงข้อที่สี่นะคะ uh huh. สืบเนื่องจากข้อที่สามเมื่อวินยานเกิดขึ้นแล้วหามีการปรุงแต่งต่อไปเป็นเรื่องราวเรียกว่ามีจิตตะสังขารใช่ไหมเจ้าคะจิตคือวิญญาณที่มีการปรุงแต่งต่อไปใช่ไหมเจ้าคะคือโยมพยายามค้นหาว่าจิตคืออะไรอยู่ตรงไหน uh huh. จากการศึกษาและปฏิบัติในวันเนี้ยโยมก็จึงเข้าใจว่าจิตคือวิญญาณที่มีการปรุงแต่งต่อนั่นเอง โยมเข้าใจถูกไหมเจ้าคะโ okay. อเคจิตคือธรรมชาติที่มีการสังสมอันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์นะแต่ว่าเป็นเป็นภาษาบาลีคำว่าจิตเนี่ยจออาจารย์สลีมาจากธาติที่หมายถึงจะจิธาติเนี่ยคือหมายถึงมีธรรมชาติสังสมมันก็จะไปทําหน้าที่ในการรับรู้เพราะงั้นคำพูดที่ว่าจิตคือวิ ญ, ญญาณที่มีการปรุงแต่งต่งตอเนื้ออันนี้ยังไม่ถูกเปะจิตไปทําหน้าที่ในการรับรู้คือวิ ญ, ญญาณ ผ่านทางช่องทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายและมโนโ น, นี้ถึงจะถูกไปทําหน้าที่ในการรับรู้การทําหน้าที่ในการรับรู้นี้เรียกว่าวิญญาณาทีนี้รับรู้มันเหมือนกับอินพุตนะเหมือนกับอินพุตถ้าสมมติเราดูจิตอยู่ตรงกลางใช่ไหมด้านซ้ายเป็นอินพุตมา6ทางนาจิตก็ไปเลื้อเอกไปด้านซ้ายไปทำหน้าที่อะไรรับรู้วิญญาณนะด้านซ้ายมา ก, กับอะไรตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจตาหูจ ม, มูกลิ้นกายและมโนนะ แล้วมันก็จะมีการมีการปรุงแต่งต่อปรุงแต่งไปทางด้านขวาพุ่งออกไปทางด้านขวาด้านขวาเป็นอะไรก็ปรุงแต่งไปในทางความคิดปรุงแต่งไปในทางการพูดปรุงแต่งไปในทางการกระตัมคือกะคือใจวาจาและกายตรงนี้คําว่าใจเนี่ยมันจริงจะต้องพูดให้ดีว่าเป็นการความคิดเป็นทางสังกัปะเป็นความคิดเป็นทางใจ 2. เป็นทางกายทางวาจาสามเป็นทางกาย ตรงส่วนที่กายใจวาจากายหรือกายวาจาใจเนี่จึงเป็นการสร้างกรรมละจิตก็จะสั่งสมกรรมตรงนี้ไงถ้าคุณคิดชั่วคุณก็สั่งสมบาปถ้าคุณคิดดีคุณก็สั่งสมบุญสั่งสมที่ไหนสั่งสมที่จิตทําไมมันถึงไปสั่งสมได้มีการกระทําตรงนั้นได้เพราะมันมีการกระทบการกระทบมาจากไหนก็มาจากการที่จิตไปรับรู้รับรู้ทางไหนบ้างนี่หมายทางซ้ายนะก็ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเพราะฉะนั้นคําว่าใจนี่อย่าไปสับสนว่ามันหมายถึงอะไรแต่มันเป็นโดเมน เป็นบริเวณที่มันจะทํางานได้คือมโนอะ่ะคือเหมือนกระช่องทางเนี้ยคุณจะเอาหูไปลิมรสไม่ได้หูมันจะต้องเสียงมันจะต้องเข้าหูเท่านั้นรถมันจะต้องเข้าลิ้นเท่านั้นมันจะไปรับรู้ทางหูไม่ได้เพราะฉะนั้นความคิดมันต้องอยู่ที่ใจเท่านั้นมันจะไปทางอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นความคิดที่เป็นธรรมารมกับความคิดที่เป็นจิตตสังการจึงไม่เหมือนกันธรรมรมนะเช่นว่าเรารู้สึกสุขหรือทุกข์หรือความคิดนั้นนี้ ความคิดนนนี่อาจจะเป็น Input มาจากคนอื่นเขาพูดให้เราฟังเออใช่แล้วเราก็คิดต่อก็จึงเป็นจิตตสังขารไปนี่จะเป็นเ u t พูดไปอีกอันหนึ่งก็จะไม่เหมือนกันโอเคแต่มันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นในใจเพราะนตรงใจคาว่าใจนี่จะเป็นโดเมนคาว่าใจนี่หมายถึงมโนนะที่เป็นช่องทางให้เกิดความคิดเกิดการปรุงแต่งก็ทั้ง input o u t า u t ก็เกิดตรงนี้ค่ะโอเคนี่คือในข้อที่สี่ใช่ ดังนั้นจิตคือวิญญาณที่มีการปรุงแต่งต่อไม่ใช่วิญญาณคือการรับรู้การปรุงแต่งต่อเนื่องของจิตออกไปก็จะเป็นไปในทางความคิดการพูดและการกระทําการปรุงแต่งนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นจิตสังขารวจีสังขารหรือมโนสังขารขอไปมโนสังขารวจีสังขารหรือกายสังขารออันนี้ถึงจะถูกอวิญญาณเป็นแค่ตัวรับรู้ถูกต้อง หากวิญญาณเกิดขึ้นแล้วไม่มีการปรุงแต่งต่อไปอืจิตก็จะไม่เกิดขึ้นเรียกว่าจิตดับไปหรือหลุดพ้นไปสภาวะนี้จึงมีความว่างว่างจากการปรุงแต่งโอเคบทเป็นชนะที่จะต้องอธิบายตรงนี้ให้รัฐกลุ่มก็คือว่าหากวิญญาณเกิดขึ้นแล้วไม่มีการปรุงแต่งต่อไปจิตนั้นเนี่ยคือจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งแล้วไงคือมีวิชาเกิดขึ้นแล้วมีความรู้แล้วว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นี่นาะ จิตแบบนี้แหละก็เรียกว่าจิตที่แบบแจ่มใสจิตที่พ้นแล้วคําว่าพ้นนี่คือวิมุตตะแห่งหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากการที่ต้องไปปรุงแต่งตามอินพุตตามวิญญาณวิญญาณมากระทบแบบทำไมฉันต้องไปปรุงแต่งฉันไม่ไปปรุงแต่งหรอกไม่ไปปรุงแต่งทางมโนมโนสังการไม่มีนะไม่ปรุงแต่งทางวจีวัจีสังการไม่มีนะจิตไม่ไปปรุงแต่งทางกายคือกายะสังการไม่มีนะพอไม่มีก็คือจิตนั้นก็คือพ้นพ้นก็คือมีความฉลาดแล้วมีวิชาแล้วมีวิมุตต์แล้ว จึงมีความว่างความเย็นตรงนี้ไงนิพพานไงค่ะดังนั้นคํากล่าวนี้จึงต้องกล่าวให้ถูกต้องอีกนิดนึงว่ า, าถ้าวิญ ญ, ญาณเกิดขึ้นแล้วไม่มีการปรุงแต่งต่อไปเท่ากับจิตหลุดพ้นแล้วถูกต้องเท่ากับนิพพานใช่แต่ว่าไม่ใช่จิตดับไปถูกไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะโอเคอคาถามจะมีว่าทําอย่างไรจึงจะรู้ทันก่อนที่จะมีการปรุงแต่งของจิตคะ เมื่อจิตปรุงแต่งแล้วทําอย่างไรจึงจะปล่อยวางจิตนั้นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราในข้อแรกทําอย่างไรจึงจะรู้ทันก่อนที่จิตจะมีการปรุงแต่งเราก็ต้องไปดักทางอินพุตดักทางตรงที่มันจะมีช่องทางที้เข้ามาคเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้ดักเอาไว้ก็คือนายทวานนั่นเองก็คือสตินั่นเองคุณตั้งเอาไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีการสรํารวจบินทรีอ่าก็จะคอยดักไม่ให้ใหไอะเจ้าสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาละ ไม่ให้จิตนั้นมีการปรุงแต่งไปต่อโอเคนี่คืออันที่1ก็คือต้องตั้งสติไว้ทีนี้เมื่อจิตปรุงแต่งแล้วทาอย่างไรจึงจะปล่อยวางจิตนั้นไม่ให้ไม่ใช่ว่าของเราไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมจะต้องรู้อย่างไรเห็นอย่างไรก็คือเห็นตามที่เป็นจริงเห็นโดยความที่ไอ้ที่เราปรุงแต่งไปเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่มันไม่เทียเท่ยงมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่เป็นสภาวะอะไรที่เราฉันจะไปยึดถืออะไรเงี้ยเราจะเห็นเราจะให้เห็นก็ตานเป็นจริงนั้นได้ ก็ต้องมีสมาธินั่นเองต้องมีความเป็นอารมณ์มันเดียวค่ะนะคะรู้สึกว่าจะตอบคําถามได้แค่ของคุณของคุณแคทเนี่ยค่ะเพราะว่าใกล้เวลาจะหมดแล้วนะคะก็ต้องไปดักที่ทางขาเข้าใช่ไม่ให้ไม่เปิดโอกาสให้มีการปรุงแต่งของจิตอืมเจษฎาก็รู้สึกว่าจะมีรายละเอียดลึกซึ้งท่านที่สนใจในเรื่องของ วิญญาในเรื่องของจิตในเรื่องของมโนโก็น่าที่จะได้ความรู้แน่นหนามากยิ่งขึ้นนะคะกราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งค่ะเรียนบาลค่ะท่านพิบูลเป็นผู้มีการหลักสูตรลึกเรีนวัดปาดอนไฮโซอุดรธานีนะคะท่านฟังคะเดือนมีนาคมท่านกำลังจะพาผู้ปฏิบัติทั้งหลายไปสังเวชนียสถาน มีผู้ฟังของรายการนี้ได้มีโอกาสร่วมไปด้วยจำนวนหนึ่งะคะไม่มากนักเพราะว่าประกาศแค่2วันสั้นๆเท่านั้นเองแต่จะนำเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาฝากกับท่านฟังทั้งหลายอยู่ดีค่ะยังไรก็ตามไปไม่ไปไม่สำคัญเท่ากับการที่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนเอาไว้เพราะท่านได้บอกว่าเป็นเหมือนกับาศาสดาของพวกเรา ทั้งหลายพบธรรมะของท่านก็เท่ากับว่าพบพระองค์ท่านนั่นเองแม้ท่านจะปรินิพานไปแล้วเป็นเวลาช้านานก็ตามทีนะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติกันไปเรื่อยๆฝึกเจริญสติยิ่งทำบ่อยก็ยิ่งจะเกิดความชมาลแล้วก็ความก้าวหน้าค่ะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้เพื่อจะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพระหั ส, สบดีกับวันศุกร์จะมีดิฉันร่วมสนทนากับ ท่านไพบูรณ์แต่ส่วนวันจันถึงวันพุธนั้นท่านก็ยังให้ธรรมะพวกเราเต็มเมโดยไม่มีดิฉันเป็นผู้ถามนะคะติดตามรับฟังกันในสัปตาห์หน้าวันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ